ปุภาพภาคานมาการธนรมายางพุทสาภะคะวะโตปุภาพภาคนมาการังรราาการามเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอรอบน้อมแด่พระผู้ ีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองานะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหตตนซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมอาตสาพระขวะตน ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหตุซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง